วันนี้เป็นวันร่วมกันปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนเก้าวันพระหน้าก็เป็นวันประเพณีทางอีสานบ้านเราว่าเป็นวันเดือนเก้าดับเข้าพรรษามาก็ เป็นเดือนครึ่งเล้วท่นี่แน้วก็พวกเราให้ทบทวนดูโดยเฉพาะพระทั้งพระเก่าพระใหม่เราเข้าพรรษามาได้เดือนครึ่งเราได้อะไรบ้างเป็นเครื่องประทับใจในการบวชมาในครั้งนี้หรือว่าในพรรษานี้ ใพยายามทบทวนดูอยู่เสมอถ้าหากว่าเรายังขาดเหลือขาดตกบกพ่องตรงไหนอย่างไรก็พยายามทำให้เต็มตื่นขึ้นหรือพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความภาคเพียร น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆุ ท, กท่านจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ครูบาอาจารย์หรือในเทปในหนังสือท่านก็มีแต่แนะนวทางสำหรับพวกเราเท่านั้นส่วนที่จะลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราสรุปแล้วก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าหรือคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เหมือนกับชี้หนทางให้เดินเท่านั้น นี่นะเดินต้องเดินอย่างนี้นะเดินไปทางนี้นะแต่พวกเราไม่ก้าวเดินไม่เดินตามก็ไม่เกิดประโยชน์ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่ก้าวเดินเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ในเทพในหนังสือที่พวกเราได้ศึกษาควรจะใส่ใจแล้วก็นำมาปรับปรงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้เป็นพระที่ดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่เราเห็นว่ามันไม่ดี เราก็ควรจะสละทิ้งปล่อยวางทิ้งการเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับแต่ก่อนเราเป็นครวญเราไม่รู้จักสิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวเพราะแต่ละวันก็มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเรื่องขอบเรื่องครัวเรื่องนาทีการงานเรื่องการบ้านการเมือง หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเราเองก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตเกิดมาได้อย่างไรเป็นไปอย่างไรศีลธรรมมีความจำเป็นอย่างไรคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างไรเราไม่เคยคิดแต่บัดนี้พวกเราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชเป็นพระแล้วเป็นพระกรรมฐานอีกต่างหากอยู่ในป่าเขาอยู่ในที่สงบสงัดเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ สงบการมาอยู่ในที่สงบแห่งนี้ถ้าว่าพวกเราไม่มีความมุ่งหวังมีมีความตั้งมั่นไม่มีความมุ่งหวังอันใดมาอยู่ชักตว่าเขาให้บวชมาก็บวชมาพอมาอยู่เขามาบวชแล้วจะเป็นผู้อึดอัดนับวันนับเวลาว่าอย่างไงจะถึงเวลาที่จะครบกําหนดเหมือนเขาเข้าอยู่ในคกุกอยู่ในตารางอย่างนั้นน่ะ เหมือนกันนกเข้าอยู่ในกรงขังอย่างนั้นน่ะหาความสงบสุขหาความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่ได้พอไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าการบวชเข้ามานี่บวชเพื่ออะไรทำไมเราไม่ได้มีวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่บางคนเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มีเชาวในเมื่อเข้ามาบวชแล้วถึงจะไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก็จริงอยู่แต่ว่าพอเขาบวชเข้ามาแล้วปรับปรุงแก้ไข เอาสถานการณ์หรือว่าเอาปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตัวเองในสถานะเหลียงดังนี้เราเข้ามาบวชเป็นพระเราควรจะทําตัวอย่างไรเราต้องมองรอบด้านมองรอบครูบาอาจารย์วัดวาศาสานาพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอย่างไรบัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วเราเป็นผู้มีศีลตามสมมุติสงู์แล้วเราก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ นำทำคำสั่งสอนหรือว่านำการเป็นอยู่ของตนเองมาปรปับปรงแก้ไขให้มันเกิดประโยชน์จากนั้นกเราก็เข้าไปอยู่ในที่สงบเพราะทางโลกเราก็เคยผ่านมาแล้วมานานเท่านานมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นมาแล้วแต่บัดนี้เราจะอยู่เป็นนักบวชนักพรตเป็นพระกรรมาฐานอ ย, า อ, ยาอยู่สามเดือน มันจะให้มันตายเมื่อกตายไปใช่ไอย่ให้มันตายมันจะตายกับตายไปเลยเ อ, อมันจะตายเพราะการบวชในครั้งนี้อันนี้เราเสียสละเรามอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพียงสามสี่เดือนอันนี้เป็ว่าความตั้งใจอย่างสุดซึ้งจากนั้นก็เพียรณ า, าทบทวนไตรตรองดูเหตุและผลเมื่อเราเป็นครวญ ต, ตั้งแต่เด็กมาจนถึงเข้ามาบวชนี่เราทําผิดอะไรไบ้างเราทําคุณงามความดีอะไรไบ้าง เราขาดเหลือขาดตกอะไรบ้างทบทวนดูตั้งแต่เราจําความได้ว่าเราปฏิบัติต่อปิดามารดาของเรานี่ขาดตกบกพร่องไหมเราหน้าที่การงานของเราเป็นยังไงเราสัมมาเลเทเมามากน้อยแค่ไหนเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้บ้างที่จะเป็นเครื่องกอกอุ่นทางด้านจิตใจใคล้ายๆว่าเราออกมาจากหมอกควันสมัยเป็นคราวาดนั้นเราเหมือนกับอยู่ใน ควันหมอกควันมองไม่เห็นทิศทางว่าจะเดินไปทางไหนแต่บัดนี้เราออกมาบวชเป็นพระในพุริศ า, าสนาอยู่ในที่สงบเราก็ควรจะทบทวนไตรตรองเหตุและผลของเราว่าเมื่อเป็นครวัตเราเดินคดรคง้งไม่ถูกทางตรงไหนบ้างถ้าเมื่อเราออกไปเป็นครวัตกลับไปทําหน้าที่การงานพอถึงยังไงเราก็จะต้องกลับไปอยู่แล้วพอเราลาราชการมาบวช จากนั้นเมื่อกลับไปแล้วเราควรจะเดินอย่างไรจะให้มันดีกว่าแต่ครั้งก่อนๆที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาบวชจะเกิดประโยชน์ถ้ารู้จักวางแผนชีวิตของตนเองแต่เขาเข้ามาบวชแล้วทํำไมรู้จักวางแผนนั้นเอถึงจะบวชนานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่นับข้อมือมีแต่นับวันนับเดือนนับปีอยู่ด้วยความโศกเศร้าเงาห ง, งอยเราเข้ามาบวชในครั้งนี้ผิดหรือเปล่า ทุกยากหรือเปล่าทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้เราบวชอยู่ผิดสถานที่แล้วมีแต่คิดอย่างนั้นแปล ว, ว่าเข้ามาบวชในศาสนาเป็นผู้เปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำความดีสร้างกุศลจากนั้นก็ศึกษาธรรมาภาคปฏิบัติ ศึกษาแนวทางปฏิบัติศึกษาปริยัติคือแผนที่ที่เราพวกเราจะดำเนินในขั้นต่อไปเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังเล่นความภาคความเพียรตามแนวแถวของหลักธรรมในที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไปแล้วอันนี้ก็คือพระใหม่ ที่เขามาบวชส่วนพระเกา่าที่เราเป็นผู้มุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัยแต่ hmm. ว่าเป็นนักบวชที่ว่ามีความมุ่งมั่นเป็นผู้เสียสะละเราก็ควรจะทําให้เข้มงวดกว่านั้นขึ้นไปอีกการเดินจงกรมการนั่งภาวนาการหลับการนอนต้องมีกฎต้องมีระเบียบสําหรับตนเองให้เข้มงวดกวดขันการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการพูดการคุยการสนทนาปาลครบอะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบ อย่าไปทําแบบเลอะเลอะเทอะเทอะถ้าหากว่าพวกเราทําตัวไม่ดีไม่รู้จักหน้าที่การงานของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ของพระตนเองถึงเราจะบวชมานานมีอายุพรรษามากก็แก่ไปอย่างนั้นแหละอแกเพราะกินข้าวเท่าพราะหลายปีมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าแกฝึกสติแกด้วยปัญญาแก่ด้วยความประพฤติปฏิบัติ แก่โครงการเรียนอย่างการโครงการเรียนแก่ในการนักเรียนศึกษาต่อไปภายภาคหน้ามูพวกเพื่อนสหพรมอาจารย์พระภิกษุสั ม, มนเนนมาซักไซเหลี่ยงมาถามเรื่องหลักธรรมวินยัยเราก็ตอบได้อย่างฉะฉานเพราะเราได้ศึกษาเราได้อ่านไว้แล้วนะเราอ่านเพิ่มเติมไว้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัย เราบวชมาเราไม่ไดศึกษาทางโลกกฎหมายบ้านเมืองอาการบ้านการเมืองอะไรเราไม่ได้ศึกษาเราศึกษาแต่เฉพาะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครอยาถามอย่างอื่นอย่ามาถามเพราะเราไม่ได้ศึกษาทางนั้นเราทำธรรมวินัยแล้วาภาคปฏิบัติแล้วถามม า, เ, าเราพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะให้เหตุผลในการแนะนําสั่งสอนต่นี้พี่น้องประชาชนญาติโยม ใครก็ตามต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มาซักใ้ไห่เลียงมาถามปัญหามาปรึกษาปรารภเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเขาเราก็ให้คำปรึกษาปรารภแก่เขาได้อันนี้คือพระที่ได้ศึกษาทั้งหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รอบคอบอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือพระบวชเก่าทั้าอกตั้งใจจากนั้นทางด้านจิตใจก็ ขมักขเม่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ฟังยินดีฟังฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากหมู่จากเพื่อนเป็นผู้ศึกษาสุตตะมยะปัญญาการได้ยินได้ฟังก็คือเป็นหนทางแห่งปัญญาทางด้านหนึ่งจินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการการทวนเหตุและผลเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว นำมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาที่ทาจิตให้สงบแล้วก็นามาไตรตรองดูเหตุและผลอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนั้นยา<ม>อยู่แบบไม่คิดไม่อ่านอไม่ได้อยู่แล้วต้องคิดต้องอ่านการเป็นอยู่ของเราขาดเหลือขาดตกอะไรบ้าง ถ้าว่าพวกเราทําดีนะก็เป็นพื้นฐานนะติดภพติดชาติเดนะ้ถ้าทางว่าพวกเราทําชั่วก็ติดภพติดชาติเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานะมีพระองค์หนึ่งเป็นผู้วายอยากซอนอยากในครั้งก่อนมาพบนิชาตนี้ก็เป็นผู้ว่ายอยากซ้อนอยากนี่แหละพวกเราอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเนะี่ยพวกเราต้องพยายามฝึกหัดดัดตัวเอง ให้รู้จักให้อยู่ในกรอบของเหตุและผลทางว่าผู้เคยดันทุลังมันชอบดันทุลังเนะไม่ชอบฟังคำของใครมันเป็นนิสัยมาติดพบติดชาิมันมีอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงธรรมให้มรนดาภาษาวกทางหลายตรอดถึงอุบาสกอุบาสิกาถ้าเราใดไปอ่านได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆพระพุทธเจ้าจะปรารบขึ้นมาว่า ภิกษุองค์นี้ไม่ใช่จะพูดยากเนี่ยแต่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นนะอนดีตตชาติก็พูดยากเหมือนกันอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าภิกษุองค์นี้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในอนดีตตชาติเขาก็ฉลาดมาอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีพู้พุทธเจ้าบอกว่านี้คนคนนี้พระองค์นี้เป็นผู้ว่า ง, ง่ายสอนง่ายเป็นผู้ดูแลบิดามารดา ในอดีตชาติมาพบนี้ชาตินี้เขาก็ยังติดพบติดชาติยังดูแลยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อ่อย่างนี้ก็มีนะแต่จะยกตัวอย่างที่ว่าภิกษุที่ว่าแข็งกระด้างไม่ยอมฟังใครนะในครั้งภพภูธิเจ้ามีอยู่คือเป็นเชื้อพระวง์ของภ พ, พุทติเจ้านะเป็นลูกอะไรพระปีตุจฉาถึงเขาคงจะเป็นเอพวกปู ที่น้องทางปู่คงจะเป็นอาเป็นลูกน้าลูกอาอย่างนั้นกัมัง่ง เ, เขามาบวชเมื่อภายแก่ใครๆว่าอยากจะอวดตัวเองนั่นนะมิสช่อวดมันมีได้มนุษย์ชาติของเรานะเนี่ยอยากจะให้อวดว่าข้าเป็นบุคคลสำคัญในวัดนี้นะลักษณะนั้นอยู่วัดป่าเชตวันมหาวิหารพ อ, อบวชเขาไปก็นั่งเอเตอยู่บนศาลา ก็คลองผ้าอย่างดีว่างั้นเถอะนั่งพระทั้งหลายมาเขาเขามากราบมาไหว้่มาถามไทยตัวเองก็พึ่งบวชเข้ามาใหม่เวลาเขาถามก็ไม่รู้เรื่องถึงได้กันเก็บเงียบเขามากลับเขยกมือไหว้เขาตะพัดตะพือว่างั้นเถอะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่นี้พระหนุ่มองหนึ่งก็เลยถามว่าท่านบวชมาแล้กกี่พรรษาแล้วครับท่าน โกหกไม่ได้เี่พระทีนี่เอี่ยเว่าข้ายังไม่ได้พรรษาเนาะเอาถ้าไม่ได้พรรษาท่านทําไมมาอยู่อย่างนี้ท่านทําไมไม่เคารพพระเถระท่านทําไมจึงไม่เออเอาหน า, ห, น า, ห, นาหาน้ําหาอะไรมาให้พระที่เป็นอาคารทุ ก, กะมาท่านทําไมจึงนั่งเฉยเมย อ, อยู่อย่างนี้ท่านทํำนี้ไม่ได้หนีพระหนุ่มเขาไล่ได้ทีนี่เพราะอายุพรรษาเขาแก่กว่าเด้พระองค์นั้น โมโหขึ้นมาว่าหาขาว่าดูถูกลูกหลานตัวเองท่านนี่เพราะตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์อ่าเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเด้่ยอทีนี้ก็ดูให้เขาเอาไปมาร้องห h o ร้องให้ที่ว่าห า, าว่าพระหนุ่มดูถูกไปฟ้องพระพุทธเจ้าข้าจะฟ้องพระพุทธเจ้าพวกท่านรู้ไหมว่าข้าในเป็นใครพุณนะอ่าดูให้ข้าแบบอวดจักดาเขาอีกไงข้านีนเป็นใคร เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้านะองค์ก บ, บินละพัดนะพวกท่านรู้ไหมเป็นใครถูกพ้าทัานไรกับหนาวหนาวร้อนๆเหมือนกันนะ่ะกลัวพระฉันจะไปฟ้องพุทธเจ้าปฏิภาวนั้นก็ไปพ้าเหล่านี้ก็ตามไปด้วยว่าเขาจะฟ้องเรื่องอะไรพอไปถึงกับพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอา้าทําไมติดสะเธอจะไม่น้าําตาอาบนาดอย่างนี้เธอเป็นทุกเรื่องอะไร พรปฏิสารวนิพระที่มาเนี่ยลุกล้านข้าพระองค์ะลุกล้านยังไงข้าพระองค์นั่งอยู่บนศาลาอแล้วพวกพวกนี้ด่าว่าข้าพระองค์เธออยู่อย่างนั้นเวลาพระอาคันทุกะมาเธอได้ลุกไปรับผ้าจีวรทันไหมเธอได้ลุกไปรับบริขารไหมเธอให้ความเอื้อเฟื้อไหมอเธอได้ เอาน้ำเอาถ่ามาถวายท่านไหมเธอได้แ น, นำำะนําท่านไหมว่าเวลาปิดธาบาตเวลาเท่าไรอกิจวัตรแล้วพักอยู่ที่ไหนท่านได้บอกไหมถ้าได้ปฏิสันถา์ในทางแนวนี้ไหมพระติดสาวบอกไม่ได้บอกไม่ได้ทําถ้าไม่ทําเธอไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเธอทําอย่างนั้นอให้พระองค์อื่นกราบท่านเป็นนับบัตรทุ ก, กฎไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเธอขอขอมาเะขอขอมาพระ ที่มาซะยอมขอเข้ามาพระติดสัไม่ยอมลูกเดี่ยวพวหัวดื้อเพราะงั้นแ่เนี่าคนหัวดื้อนะนี่พระหัวดื้อมีเลยไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมหัวเด็ดตียงขาดไม่ยอมเพราะพระบนั้นลุกลานข้าพระองค์นี่ยจะให้พระองค์ไปขอโทษได้ยังไงไหมขนาดพระพุทธเจ้าบอกให้ขอโทษแต่แท้ยังไม่ยอมนะพระที่มาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าขาท่านติดสันว์เป็นคนหัวดื้อหัวั้น ไม่ยอมฟังพระเจ้าขา่านั่นน่ะสิพระพุทธองค์ก็บอกว่าอติดสาเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะชาติก่อนก็เป็นคนหัวดื้อหัวร้านเหมือนกันออไม่ยอมฟังใครเหมือนกันพระสงฆ์ก็เลยถามว่าในครั้งไหนพระเจ้าข่านิพระที่เป็นหัวดื้อหัวร้นอย่างนี้ พ, พุทธองค์ก็เลยยกนิทานในชาดกให้ฟังในอดีตชาติเอ เขาเกิดอยู่ในเมืองกรุงพาราณสีนะแล้วพอจากนั้นเขาไปบวชอยู่ในป่าป่าหิมพานป่าดงผงไพอย่างนั้นพออยู่ในป่าไม่ได้กินเกลือเนี่พวกคนไม่ได้กินเกลือเนี่ยดูมากมันจะไ ม, ไมะ่ไม่สะดวกอย่างนั้นแต่ทีนี้ติดสาก็เลยเข้ามาเพื่อจะได้ทานอาหารพวกของเค็มของเปรี้ยวอย่างนั้นอ่ะเข้ามาแดนมนุษย์ พอเข้ามาใกล้เมืองนะ่ะหาที่พักเอจะพักที่ไหนนะ้าก็เลยไปถามไทยบ้านเขาบอกว่าท้าวันนักบวชมาแถวนี้จะพักที่ไหนมีที่พักไหมชาวบ้านเขาก็บอกว่ามีมีโรงนายช่างหมอ้ค อ, หมอคือช่างหม้อคือพวกตีหม้อเนี่ยตีหม้อดินเนี่ยอยมีอยู่ที่พักของเขาเอกลางวันเขาก็ทํางานกลางคืนเขาก็ว่างโดยมากพวก นับบวชนับพรดมาก็ไปพักค้างที่นั่นแหละเอางั้นแต่แกฤฤษีเนี่ยก็เลยไปถามกับนายช่างหมอกนายช่างหมอเอานิมนต์พักได้ครับกลางคืนผมไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่ากลางวันเนี่ยผมทํางานให้พัน่นพักตามสบายๆผมจะกลับบ้านแล้ ว, ลวก็กลับพอเห็นฤฤษีมาคงที่สองอีกอก็ไปถามนายช่างหมออัตมา จะขอพักในกะําลังจะเดินออกไปข้างนอกแนละ้วนั่ะไปพบ ก, กันใกล้ๆที่พักนันนะท่านก็บอกเออถ้าว่าท่านลือสีองค์ก่อนถ้าให้ท่านพักก่อนท่านก็ไปพักได้นะพักโดยกันก็ได้เนี่ยผมจะไม่กลับไปอีกแล้วพบกลางคืนผมไม่ได้ทางานอะไรให้พวกท่านพักได้สบายท่านท่านลือสีทั้งสองท่านพักโดยกันก็ได้นะผมไม่มีอะไรนะพักสบายๆครับผมท่านก็ในช่างหมอ ก, ก็กลับไป เทนีฤฤษีสองคนเขาไปไปกับไปสนทนาปารบกั น, นองค์ที่มาใหม่กขาเรียกว่าองค์ที่มาก่อนเป็นอาจารย์เหมือนนเถอะเพืมีอายุมากกว่าอาจารย์อาจารย์เหมือนนเทนี้ก็สนทนากันพอสมควรแล้วล่ะหาที่นอนของใครของเราเลือกนอนเอาเลยเหมแต่นี้รงช่างหมอแต่เอเฤฤษีผู้มาก่อนะที่มีอายุกว่าเนี่ย ทั้งที่นอนกน็น่าจะเป็นนอนที่หลบที่ดีๆงั้นเนี่ยกลับไปนอนไอ้ขวางประตูบานเนี่ยมันก็ไม่ ม, มีไฟฟ้าไม่มีมไฟฉ า, า, ายได้บ้านเนี่ยไปนอนขวางประตูบานนี้ลือศีที่อยู่ข้างในพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองมาก็ปวดเบาเสแล้วบานเนี่ยปวดเบามากับเอ้ะ <Hey. S 1> ก็คงจะไม่คิดว่าลือศีคงนอนอยู่ที่ไหนกันไม่ได้ ถามกันพอมันมืดแล้วก็พนธนากันเสร็จแล้วก็หาที่นอนใครที่นอนเราจะเนียกาําหนดว่าตรงนั้นเป็นที่ประตูก็เดินมาพอเดินมามาเหยียบมาเหยียบไชะดาของฤาษีว่างั้น่ะมาเหยียบหัวฤาษีว่างั้นแต่เหยียบทงางหัวฤาษีฤาษีก็อ้อามันมาหาเหยียบหัผวผมทําไมเนี่ยวะโอ้ยผมคิดว่าอาจารย์ไปนอนที่อืน่นเหมือนกนผมขอโทษขออภัยนะ แกลงเย็ยบหัวกันนี่เลยเฉยๆเนี่ยแหละอา้าอาจารย์นอนทําไมมานอนขวางประตูอที่อื่นก็มีอยู่ก็กเลยจมพุมพำมพุมพำมพุม่มพำมเหมือนกันโมโหว่ากันจักจากแล้วก็หันหัวไปทางหนึ่งเอ็กบัณเนี้่อเคกคิดว่ากลัวลือศีเข้ามาที่จะเยียบหัวตัวเองก็เลยหันหัวไปทางหนึ่งบัณฑ์เนี่ยลือศที่มาใหม่เนี่ยซื้อสีหนุ่มเนี่ยเคคิดว่าเออเมื่อขราวที่แล้วเนี่ย เราไปแทงมุนไปเหยียบหัวดือสีว่างั้นะเถอะเราควรจะไปทางนี้ไปทางตีนบ้านนี้ออพอเดินไปทางนี้ไปบ้านนี้ไม่เหยียบไม่เหยียบหัวจริงๆไม่เหยียบตีนเลยนะบ้าเหยียบคอจะได้บานเลยพอดือสีมันหันหัวกลับว่างั้นเถอะดือสีแก่หันหัวกลับอีกทางหนึ่งตรงข้ามทางนี้กะคิดว่าจะเป็นทางเท้าะทางตีนของดือสีไปบ้านนี้ก็ไปเหยียบคอใช่ไหมบ้านนี้ยฮอกอักเล เหรือสียิ่งโมโ ห, โหใหญ่เมื่อคราวที่แล้วไปเหยียบเหยียบชาดาเหยียบหัวมัาเหยียบผมเหมือนกันแต่แต่บัดนี้เหยียบคอเหมืนอนกันผล่สุดจมพุมพำมพุมพำ ม, ม, มขึ้นมานออแช่งสาบแช่งกันบัดเนี้เ่ยออเรียกว่าคนดูสีี่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะเอะเป็นนักพจนักปวนที่ไปหาสาบแช่งคนอื่นเท่านเดินออกมาคราวก่อน มาเหยียบสดามาเขานี่มาเหยียบคอของข้าพเจ้าฤาสีหนุ่มก็บอว่าความผิดนี่ไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้ามาเหยียบเขาก่อนข้าท่านมานอนขวางประตูไปมาคขานี่แหละข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะนอนทางเก่าข้าพเจ้าขอมาทางตีนของท่านบัดนี้ท่านก็หันหัวกลับมาทางนี้อีกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แล้วเออข้าพเจ้าทําดีที่สุดแล้วก็เลยทะเลาะกันสองฤาษีว่างั้นเน่ะ อจะลงหมัดลงมวยกันว่ากันแต่ฤาษีมาใหม่ท่านมีคุณธรรมเนยท่านไม่สู้ว่ากันตอนนี้กับสาบแช่งพระอาทิตย์ขึ้นมาขอให้สีถษะของท่านแตกเจ็ดภาดคนลมาเลยผนสาบแช่งกันว่นางั้นเท้งฤาษีหนุ่มนี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าข้าไม่ได้ทำไม่ไม่มีเจตนาอย่างนั้นอคนที่สาบแช่งให้หัวแตกเจ็ดภาคหน่อยถ้าคน ถ้าข้ามนาฏคิดอย่างนั้นทีนี้พอฤาสีหนุ่มเนี่ยเข้าไปนั่งฤาสีหนุ่มเนี่ยระลึกชาติโหนหลังใดเดะเป็นผู้มียานเนี่ยยานทัศนะระลึกชาติไปข้างหน้าก็ได้ระลึกวักไปข้างหน้าได้แปดสิบชาติระลึกชาติหลังอีกแปดสิบชาติอีกเพราะว่าบาปกรรมตัวนี้สีสารน่าจะแตกจะตกถึงใคร ต่นนี้เขคิดไปก็ไปเห็นศีสันนี่จะต้องอาจารย์ผู้ฉาบก่อนต้องแตกแน่ๆเพราะไม่ใช่ความผิดของเราเลยหรือสีหนุ่มอาจารย์ต้องต้องแตกแจกเป็นเก็ดภาคแน่นอนถ้าท่านมีอิทธิฤทธิ์ด้วยเด้หรือสีหนุ่มาาตตแ ต, แ ต, แนนาามต่หรื ส, หสีแก่ไม่มีอะไรว่างั้นเถะพอตอนนี้หือสีหนุ่มโอ้ไม่ได้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมานี่สีสษนแตกแน่ๆเลยเนี่ย ปานนี้พระฤสีหนุ่มไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นบ้านเลยกำหนดพระไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นโดยยานะโดยฤทธิ์ของฤาษีหนุ่มตอนนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็เดือดร้อนเลยท่านนี่บอกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเขาไปกาเปลียนพระราชาพระราชาวเอเป็นอย่างนี้เ่ยต้องอพกนักพจนักบวชเนี่ยต้องทะเลาะกันแน่ๆป่ะเอะีมันเป็นลักษณะอย่างนี้อะกาว่ามันเคยเป็นมาแล้วว่างอนกันเถอะพวกฤาษีสีภัยเนี่ย ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยโดยมากมันจะเป็นบ้านเมืองดรียว่าตินฟ้าอาการวิปริบอย่างนั้นอ่ะทีเดียวใครเห็นนักบวชมามาไหมเขา่อยบอกว่ามีฤาษีสองตนม า, าพักอยู่ที่โรง ง, งงานของช่างหม้อที่เขาตีหม้อดินอานนพระเจ้าเป็นดินก็นติดคบเพิงไปสมัยนั้น ก็คงจะติดเทียนติดคบเพลิงไปกลางคืนมันมืดเนี่ยพอก็ไปถามถามก็ได้ความกันอย่างนั้นจริงๆเลยผลที่สุดถามได้ความว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยหรือสีแก่เนี่ยต้องหัวแตกแน่นอนอย่างนั้นผลที่สุดเอาอยัางไงจะถามปรึกษากันกับหรือสีนมหรือสีหน่มชื่อสาระถาดาบทนะหรือสีแก่เนี่ยชื่อเทวรา ด, ดาบท เทวาทาราดาบดกจกสารทดาบดุจเหมือนกันบอกว่าให้เทวราดาบดเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยให้ไปอยู่ในน้ํสาสระน้ําอยู่ข้างๆอยู่ไม่ ม, มีที่เขาขุดเอาดินขึ้นมาเนียเอาดินเหนียวใส่หัวเหมือนกั น, เ, นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยให้หมุดน้นําหนีดินหวดินเหนียวจะแตกเหมือะนกันอันนี้ชาดกท่านว่านนะอย่างนั้นนะงานนี่ยเราก็ต้องฟังตามชาดกที่ท่านว่า อทีนี้ก็พระเจ้าไปดี่กับบังคับให้นั้นกับตัวเองก็คิดกลัวตายเป็นการแดดทิฏฐินี่ก็ยังยังยังแข็งอยู่เหมนกันแตแต่กลัวตายก็กลัวกลัวหัวจะแตกจริงๆริงเอนพราะอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยเนี่ก็รู้เลยเนี่อผัวในสูงเขาเลยเขาก็เลยจับหัวทีแรกก็คือไม่ยอมไม่ยอมโดยประการทั้งปวงไม่ยอมคารวะไม่ยอมรับโทษพวกพระเจ้าไปดึงจับแข้งจับขากอะไรเขามาใส่เท้าของฤาษี หนุ่มนะ น, นะหรือสีหนุ่มเออเอาผมให้อภัยผมไม่ถือโทษโกรธเคืองนายอาจารย์เนี่ยที่ท่านอาจารย์สาปแช่งผมนะ่ะแต่ว่าถึงยังไงก็เถอะอาจารย์ไม่ได้คารวะรวยน้ําใจเพียงแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินจักเอให้ตํารวจทหารจับให้คารวะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังไม่สุดสินน้นเหมงอนกันอาจารย์ต้องไป มุดลงไปอยู่ในน้ำแล้วเอาดินหัวโพวกศีรษะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วยังค่อยมุดไปทางอื่นน้วพระเจ้าไป็นยังไงให้ตํารวจจับลงไปอย่างที่ว่าน่พอคลายลิศพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นทันทีหรือสีก็มุดน้ำทันทีว่างั้นเถอะดินเหนียวก็แตกโพะอะไรว่างั้นถเถอะนี่แหละอันนี้ท่านบอกว่า ลือศีในครั้งนั้นมาเกิดเป็นติดสะเนี่ยเป็นผู้ว่ายอยากสอนอยากในชาตินี้แหละไม่ยอมฟังใครเลยเนี่ท่านวันนะสารทะนาบทนะคือเราตถาคตที่เป็นลือศีในครั้งนั้นนี่แหละการเกิดการตายแต่มันวนเวียนมันเจอกันวนเวียนมบุบพบไปพบมามันหากันอยู่ด้วยแต่ว่าผู้ติดวายอยากสอนอยากเกิดมามัก็วายอยากสอนอยากไม่ยอมฟังใครเหมือนกัน ติดพบติดชาดว่างั้นแต่นี่ละ่ะอันนี้คือศาสตร์กเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนต้องเป็นผู้มีเหตุผลต้องยอมฟังเหตุผลของคนอื่นไต่ตรองเหตุและผลอย่าไปดันทุลังอย่าไปใช้ทิฏฐิมานะต่อกันเยถ้าการมีทิฐิมานะต่อกันเห็นกันเลยหญิงเขี้ยวหญิงฟันเหมือนกับหมานะี่จะกัดกันแะห่แห่ อะไรใช่ไม่ได้เป็นคราวาัตก็ไม่ดีเป็นพระเป็นเนนก็ไม่ดีเอ่เป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ดีทั้งนั้นแหละเอ่ทิฏฐิมานะอยู่กับใครไม่ใช่ผลดีต้องฟังเหตุฟังผลต้องมีจิตใจกว่างขวางต้องมีจิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรร ม, มไม่ถึงร้อยปีแล่ะต่างคนก็ต่างไปแล้วใครจะเก่งกาศสามารถขนาดไหนก็เก่งไปเถอะอ่จากนั้นก็ไปแล้ว เพราะนั้นต้องทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินทำใจให้เหมือนกับผ้ากี่เลี้ยวใครจะเช็ดเท้าอะไรก็ได้แต่ว่าในใจตัวเองนะั้นผ้ากี่เล้วห่อทองทองคำอยู่ในใจของเรานะไม่มีใครจะรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ในใจของเราให้เป็นทองคำปรับปรุงแก้ไขให้มีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจ ให้หมุ่งมั่นในภาคปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่าอยู่ในจิตในใจเหมือนกับภาคขี้ริ้วห่อทองแต่สวนใจใครจะดูถูกใครจะว่ายังไงเหมือนการทาตัวทําใจให้เหมือนแผ่นดินถ้าทําได้อย่างนั้นอยู่ที่ใดก็อยู่ได้ทั้งหมดลมเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปพัฒนาท้องถิน่นไปพัฒนา ย่าเรือนครอบครัวมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกนะ่ะถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแปลว่าเป็นนักบัณฑิตเป็นนักปราดจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะแต่โดยมากมันเป็นอย่างนั้นได้ยากเลยแต่ถึงจะได้ยากก็เถิดต้องพยายามฝึกนะฝึกตัวเองฝึกให้เข้มแข็งฝึกให้หนักแน่นด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมโดยตามหลักธทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นผู้มีความหนักแน่นและดีนะ ถ้าจะดุด่าว่ากลา่าวถึงจะโกรธให้ใครถึงจะว่าให้ใครก็มีเหตุมีผลไม่ใช่พูดพล้ำจำจากไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลมันก็ไม่ถูกในคน ท, ที่เราถูกเราว่าเขาก็ใจไม่ดีเสียใจถ้าเขาทำผิดจริงเราว่าถึงจะเสียใจเพราะมันก็ททำผิดอย่างที่เราว่าก็เพราะว่า การอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีหลักธรรมวินยัยว่าตามกฎระเบียบว่าตามหลักธรรมพินยัยถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่หรือไปอยู่อย่างวัดของเราอย่างเนี้ยถ้าคนไม่ดีขึ้นมาเราก็ต้องบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะท่านทําตัวไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่ ไ, ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้เพราะว่าการมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะไม่เหมาะสม ต้องไปอยู่ที่อื่นอันนี้ครเข้าสถานที่การกระทําของตัวเองไม่ถูกต้องรับไม่ได้โลกรับไม่ได้ประเทศชาติรับไม่ได้กลุ่มนั้นรับไม่ได้วัดว า, าศาสนารับไม่ได้ครอบครัวรับไม่ได้อันนี้ก็ต้องว่าไปตามเหตุและผลนั้นๆอันนี้คือการเป็นอยู่ร่วมกันเพราะนั้นอย่าง ชาดกที่พูดขึ้นมานั่นก็คือให้พยายามดูตัวเองอย่าเป็นผู้วาอยากสอนอยากให้เป็นผู้มีเหตุมีผลในการเป็นอยู่ทุกๆคนนั่นแหะถ้าเป็นอย่งงางนั้นได้ก็มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกน่ะถึงจะอยู่เท่าแก่ชลานานไปขนาดไหนก็าตามมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขน่ะแต่ถ้าหัาวตื่นหัวลั้นนั่นไม่ยอมฟังใครน่นยากไหอยาก แต่ถ้าวอะยอมฟังเหตุฟังผลแล้วนั่นแหละผู้อยู่ใกล้กับปฏิบัติก็ได้ง่ายดูแลได้ง่ายเนี่ยเป็นผู้ยอมฟังเหตุและผล <c oughs> อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ร่วมกันแต่นีนแนระภาคปฏิบัติทเนี่ยเข้าอืพวกเราอย่างวันเนี้ยมาปฏิบัติรักษาศีลในทานตอนเช้ารักษาศีลทั้งวัน ต่อวันนี้ไปก็จะนั่งปฏิบัตินั่งภาวนาแทนการนั่งภาวนาอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะมีสมาธิและปัญญาสมาธิคือทําใจให้สงบอย่างที่เคยกล่าวมาไม่รู้กี่ครั้งนะจะทํายังไงใจซึ่งเราจรึงจะสงบเป็นหนึ่งได้ดังนี้ต้องหาวิธีต้องมีวิธีการลหลายอย่างไม่เหมือนกัน เพนั้นผู้เผยพระเจ้าจึงวางกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างอันนั้นพอประมาณนะไม่ใช่ว่าควบคุมบททุกอย่างทุกคนต้องปฏิบัติได้ทั้งสี่สิบอย่างหรือว่าทั้งสี่สิบอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปทีละอันละอันละอันอันจนถึงสี่สิบไม่ใช่เราจะยึดอันใดอันหนึ่งเป็นหลักในสี่สิบอย่างนั้นคืออาการของโรคของคนนะไม่เหมือนกันถ้าเราปวดทอ้องอเราจะไป กินยาแก้แพ้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องถ้าเราปวดศีรษะเราจะไปกินยาแก้ปวดท้องมาแก้ชีษะมันก็ไม่ได้มันก็คือเป็นคนละอย่างกันอันนี้ก็เหมือนกันจริตของคนไม่เหมือนกันราคะจริตควรจะนําธรรมะข้อไหนมากําหนดโทสัจริตเราจะควรทําข้อไหนมากําหนด ราคะจริตโทสาริตโมหะจริตวิตตะกจิตพุทธะจิตมันมีหลายจริตมีหลายแนวความคิดของแต่ละคนนะถ้าว creo, ober, ่าคนใดชอบในความสวยงามลักไปในทางการมราคะท่านก็ไปพิจารณาถึงอสุภะยึดอสุภะเป็นหลักถ้าว่าใครวิตกกังวล สอบหลมหลง ล, มลืมเอาเรื่องเก่ามาคิดมาปรุงมาฟุ้งมาสัานท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธนี่ถูกกับเกือบทุกจริตแต่มานนะนไม่ใช่ว่าทุกจริตนะถูกกับเกือบทุกจริตท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้ภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักแต่กรรมาฐานสี่สิบอย่างนั้นก็คอยศึกษาแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองถ้าว่าเราภาวนาไปแล้วมันจิตใจมันเป็นยังไงปงฟุงซานยังไงก็ถามกูบาอาจารย์ถามหมูถามเพื่อนถามที่ท่านผู้ปฏิบัติกรท่านก็จะอธิบายให้ฟังว่าเออควรจะเปลี่ยนกรรมาฐานอย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนกรรมาฐานบ่อยก็ไม่ดีเหมือนกันเรื่องกาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเน่าเปลี่ยนกรรมาฐานจับจดอยู่เรื่อยเหมือนกับคนเปลี่ยนยาอยู่เรื่อยกินมันรั่วถูกแล้วไม่ถูกก็ไม่รู้เปลี่ยนเน่าละผลนี่ถูกก็เลยไม่รู้จะกินยาอะไราะฉะนั้นถ้ากินยาก็ควรจะทานยาเข้าไปสักทดลองดูสักสามสี่ห้าวันแล้วเป็นยังไงถ้ามันถูกก็เออมันถูกกับจริตเนี่ยก็ใช้ยาประเภทนั้นต่อไปแต่ทาให้ไม่ถูกกินเข้าไปแล้วก็ยิ่ง แย่ลงไปเรื่อยๆก็ควรจะเปลี่ยนยาอันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยลักษณะนั้นแหละนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตัวเองยึดกรรมฐานไหนเป็นหลักเราก็ศึกษาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอาณาปานุสติมรณะนุสติอุปัตสมานุสติแลอวนี่อุณานุสติสิบ จากนั้นกับเกษกศิลป์อีกมีหลายหลยอย่างที่พวกเราจะนํามากําหนดภาวนานะแต่แนวแถวของพระแม่กูบาลจานะท่านให้กําหนดภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองถ้าเราเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโถให้มีสติอให้มีสติอยู่กับตัวเองนะการเดินให้มีสติตั้งแต่หัวจนถึงเท้านะ เราเป็นใครให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือเอาสติอยู่กับตัวเองให้ดูร่างกายใจให้อยู่กับร่างกายเอาสติอยู่จับอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนถึงทุกส่วนของร่างกายเรานั่งอยู่ในสภาพอย่างไรให้มีสติสติสติคือความรำลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ถ้าว่าเราทำการทำงานไกน่มีความรู้สึกรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเร า, เราทำอะไรในขณะนี้เวลานี้มีความรู้สึกมีความรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าทำได้อย่างนั้นดีนะอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นพยายามทำให้มากจเจริญให้มากทำให้ต่อเนื่องบางคนก็ทำซะมาวันพระก็ทำซะกลับไปถึงบ้านก็ทิ้งซะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไปถึงบ้าน ช่วงในว่างๆไม่มีอะไรเราก็พยายามนั่งหาที่สงบสงบนั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทีแต่ละวันแล้วก่อนหลับก่อนนอนคล้ายๆก็เปลี่ยนเรียมบท เ, เดินในชานข้างหอกก็ได้พุโทโธพุโทโธให้เขาดับให้โทรทงโทรทัตจ้ะจากนั้นก็นภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ละวันอย่าให้ขาดอยางนั้นเถอะ อันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่จะได้ผลนะเป็นที่พึงพอใจต้องพยายามทำให้สม่าเสมอจากนั้นก็พยายามอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการฟังเทพอ่านหนังสือบ้างจากนั้นก็ภาวนาต่อไปต่อไปจิตใจของเราก็จะได้สงบนะจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นจิตใจมีหลักนะคิดอะไรไตรตรองอะไรก็มีเหตุมีผล ไม่เป็นกระต่ายตื่นตมูมเขาว่านั้นดีว่าอันนี้เนี่ยกดดไปตามที่เขาว่าแต่เรามีหลักแล้วเราต้อ ง, ต, องต้องยึดหลักเอ้ยเราจะไปกระโดดไปอะไรมากมายเราไปทำไมมนุษย์ชาติมันก็เป็นมาอย่างนี้แหล ะ, ะเกิดแก่เจ็บตายถึงจะดีดีเ ด, ดขนาดไหนก็เถอะไม่ถึงร้อยปีก็ต่างคนต่างไปแล้วแล้วเราก็ควรจะอยู่ในกรอบของเราแต่เราไม่ ไม่ใช่งอมืองอเท้านะ้ขี้เกียจขี้ค้านไม่ควรจะมี่ยควรจะหมั่นขยันอดทนให้รู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้อรู้จักมองอดีตอนาคตมองปัจจุบันให้ใช้ให้รอบขอบอืทำยังไงจึงจะเป็นบอ่อแห่งทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาได้เราก็พยายามทำในส ม, มัยชีพนั้นๆะเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านไม่ได้มีแต่กินไม่รู้จักหามันไม่ได้เลย มันหลงรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้นี่ก็คือการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้านจินตธรรมภายในใจเนะี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องการนั่งภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างที่กล่าวมานั่นแหละทําให้สม่ําเสมอสําหรับเป็นกระวาดสําหรับพระเราไม่ต้องว่ากันแหละตั้งแต่ชั้นจังหันเสร็จแล้วก็เอาเข้าประจําที่ทิศทางของตงนเองจะนั่งภาวนานอนอยู่ที่ไหนก็ตามเดินอยู่กลม เดินกลับไปเดินกลับมาพุโทโธพุโทโธให้มีสติเกี่วกับตัวเองไม่ต้องคิดปรงฟุงไปทางอื่นเพราะหน้าที่ของเราคือเป็นพระเนี่ยจะต้องภาวนาเนี่ยคือหลักโดยเฉพาะอย่างยริงกรรมฐานกรรมฐานไม่ได้ศึกษาทางอื่นนยไม่ได้อ่านตำรับธรรมราไม่ได้เอาไปสอบนักธรรมตรีโทเอกเหมือนกับทางฝ่ายปริยัตเขาเราคือหน้าที่อันเดียวคือภาวนาเอาหลักเลยว่างั้นเถอะเดินทางเลย พอรู้แนวทางแล้วก็เดินทางเลยลงมือปฏิบัติในการเดินทางเลยส่วนประยัดนั่นต้องดูแผนที่ก่อนต้องดูแผนที่อันเขียนแผนที่ศึกษาแผนที่ศึกษาแล้วศึกษาอีกดูแล้วดูอีกบางคนก่ไม่รู้จักทางเดินจดเล้สามไปแต่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแผนที่ให้แล้วก็เดินตามที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวคือ เทปหนังสือที่พวกเราได้ศึกษานั่นแนหะแล้วก็อาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างวันนี้ลนะ่ะวิธีนั่งสมาธิทํำยังไงอย่างนี้ก็พูดมาหลายครั้งต่อหลายหนสําหรับเบื้องต้นในการภาวนานะอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาจากนั้นก็เมื่อจิตสงบเป็นหลักเป็นฐานพอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี mm ่ย hmm. ร่างกายสังขารเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็มาวิเคราะห์เอามาคิดเมื่อตายไปแล้วทํำยังไงแหมอย่างเนี้ยวันไหนก็มีแต่ได้ยินแต่คนตายด้วยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยวันนี้ก็ได้ยินอีกแล้วคนตายเ mm hmm. พราะนั้น เราก็ไม่รู้วันไหนเหมือนกันนะไม่ควรประมาทชีวิตของคนเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะตายวันไหนเมื่อตายไปแล้วเป็นยังไงตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงถ้าเก็บไว้ถึงเจ็ดวันอยู่ในเห็บในโรงสมัยก่อนเนะ่ยถ้าหากว่าไม่ได้ฉีดยานะเฮ้ยดูไม่จืดเหมือนกันนะลิ้นจุก ป, ปากเลยนหละเหม็นยิ่งกว่าเหม็นอีกแต่ทุกวันนี้เขามียา โฟมาโรงโฟมารินอะไรเขาฉีดเข้าไปเนี่ยก็ทําให้ศพไม่เน่าเอแต่ที่ยังไงก็ดูแล้วก็ไม่น่าดูผิวดําคล้ําไปหมดเนี่ยพอจากนั้นเอาไปเผาไฟเผาไฟได้อะไรท่านี่นมีตะกระดู ก, กองอยู่นั่นะทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเราจะกระตือรือล้นอะไรเอผิดอกผิดใจอะไรมากมายก็ไม่ได้จะไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปก็ไม่ได้ เพราะนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเอาธรรมะมาประครับประคองทางด้านจิตใจเี่ยตัวเองสามีพันยาลูกเต่าเล้าหลานต่างคนต่างมาข้อต่างคนต่างไปอเราจะไปถือคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือมากกว่าศีลธรรมมันไม่ถูกเลยต้องรักตนเองนั่นแหะให้นําตัวเองมาประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมนั่นแหละไม่ใช่มาวัดก็ได้มาอยู่ที่บ้านก็ได้ แล้วรักษาศีลที่บ้านก็ได้นั่นรักตัวเหมือนกันนั่นน่ะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้แต่โดยมากถ้าอยู่ที่บ้านบ่อยๆมันจะจืดจางเลือนลางไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเขามาวัดวาศาสานาเนี่ยคล้ายๆบ่ามาชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งมาได้ยินครูบาอาจารย์มาเห็นหมู่เห็นเพื่อนเห็นพระสงฆ์องค์ระเจ้าเห็นพักเห็นพวกเขาวัดวาศาสานาคล้ายๆเขาบอกเป็นการชาร์จแบตเตอรี่สําหรับตัวเอง แต่เราปล่อยปละละเลยเราปฏิบัติแต่ตนเองอยู่ตามลาพังต่อไปต่อมาก็เจริญจางไปเรื่อยๆเอยผลที่สุดก็เลยจะไม่เชื่อเอาจนได้เพราะกิเลสมันดึงลากไปในทางที่ไม่ดีเนียมันดึงลากไปทางเลวเนี่ยมันดึงลากไปลงทางต่ํอย่าเพราะฉะนั้นควรจะเข้าวัดวาศาสานาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ไว้น่ะดีจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏบิบัติด้วยตนเอง อย่างที่กล่าวมานั่นแหละสำหรับฆราวาสญาติโยมอย่าอยู่ด้วยความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ใวนภพนี้ชาตินี้บา ร, รมีของพวกเราบุญกุศลของพวกเรางคงจะเพียงเท่านี้แต่ว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลใส่ตัวเองแล้วภพหน้าชาติหน้าก็งคงจะดีขึ้นนะเพรได้ประพฤติปฏบิบัติธรรมเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกนั้นพวก ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าประมาทภนีิชาตินิหน่าวบบุญเนยได้มาพบพุทธศาสนาได้มาพบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นแหะคือบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ยึด คำถ้าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสินห่านะี่คือนักปราชญ์ทานนะี่คือนักปราชญ์สินคือนักปราชญ์สมาธิคือนักปราชญ์ปัญญาคือนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นั่นแหะพระธรรมคำส่งสอนแปดหมสี่พันพระธรรมขันนะั่นคือบัณฑิตนักปราชญ์เราควรจะเข้าไปศึกษานะั่นให้มากๆากนะ